บรรยายเรื่องรอให้ถึงพรุ่งนี้ก็สายเกินไปโดยท่านวาวชิราเมธีบรรยายนะธรรมสภามหาวิชาลัยพุทธเศรษศาสตร์ตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2557 ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเครารพนับัดนี้สิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้มีชื่อเฉพาะว่ามรณานุสติแปลว่าการระลึกถึงความตาย ทำไมต้องระลึกถึงความตายก็เพราะว่าวันหนึ่งเราจะตายกันหมดทั้งๆที่รู้ว่าเราจะตายกันหมดนี่แหละแต่คนส่วนใหญ่กลับเลือกที่จะไม่พูดถึงที่จะไม่ใส่ใจฉากสุดท้ายของตัวเองโดยเฉพาะคนไทยถ้าพูดถึงความตายขึ้นมาในหลายคนจะกล่าวหาคนที่พูดขึ้นมา มไม่รู้กัาละเทศะปากเสียปากพลอยพูดทําไมพูดเรื่องเป็นเรื่องตายพูดทําไมเคยได้ยินไหมแต่ถ้าเราไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์จะตรัสบอกเลยว่าเธอควรจะระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดถึงความตายกันยังไงบ้างไหนลองบอกมาสิพิกษูรุ่มหนึ่งก็บอกว่าหมอมฉันไปเบญรบบาทกลับมาก็คิดถึงความตายครั้งหนึง่งอีกรุ่มหนึ่งก็บอกว่าหมอมฉันฉันพัะทหารเสร็จแล้วก็คิดถึงความตายครั้ ง, นงหนึ่งอีรุ่นมึงก็บอกว่าหมอมฉันเวลาเคี้ยวข้าวก็คิดถึงความตาย เวลากลืนเข้าลงคอไปก็คิดถึงความตายสามรูปพระพุทธองค์ทรงสดับัแล้วก็ยังไม่ประทานสาธุการมาถึงรูปสุดท้ายภิกษุรูปนี้กระดาบทูนว่ามอมฉันคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพอมาถึงรูปนี้พระพุทธองค์ทรงเปล่งสาธุการว่าดีแล้วภิกษุเธอทำถูกแล้ว เธอต้องคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะคนที่ระลึกถึงความตายนั้นจะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทรั้งหนึ่งมีคนเคยไปถามปราชญ์คนหนึ่งว่าทำยังไงถึงจะใช้ชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปราชญ์ทนนั้นตอบว่าจงใช้ชีวิตดังหนึ่งวันนี้เป็นวัน สุดท้ายตื่นมาให้บอกเองว่าวันนี้คือวันแรกของวันที่เหลืออยู่หรือวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของชีวิตหนึ่งวันที่ยังอยู่กับเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นวันแรกของวันที่เหลืออยู่ใช่หรือไม่หรืออาจจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเรา ก็เป็นไปได้ไม่มีใครรู้ฉะนั้นในเมื่อเราไม่รู้วิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเตรียมตัวตายอยู่ทุกขณะคนที่เตรียมตัวตายอยู่ทุกขณะคือคนที่จะอยู่อย่างดีที่สุดใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดวิธีที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดก็คือใช้ชีวิตดังหนึ่งทุกวันคือวันสุดท้ายของชีวิตเพราะถ้าเราพิจิจารณาอย่างนี้เสมอ เราจะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทคนที่ไม่คิดถึงความตายนั้นประมาทมากนะเก็บสะสมสรพัพยไอ้นั่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาสะสมเงินส ะ, ส, ะสมทองส ะ, ส, ะสมยศรับอำนาจกว่าตอนทุกสิ่งทุกอย่างมาวางไว้หน้าตาของตัวเองสูงเป็นภูเขาลาวกา ทำดังหนึ่งว่าตัวเองจะมีอายุยืนสักแปดหมื่นสี่พันปีทางทั้งที่ไหนความจริงถึงร้อยไหมน้อยคนจะอยู่ถึงร้อยต่อให้อยู่ถึงร้อยก็หมดสภาพแล้วแต่คุณดูที่คุณสะสมไว้สิเกินกว่าที่คุณจะมีอายุอยู่ไปกี่ปีรูปดวงจริงบอกว่า ในแง่วัตถุหาเท่าที่จำเป็นจะต้องกินต้องใช้จากนั้นให้อุทิศวันเวลาและศักยภาพทางปัญญาทั้งหมดพัฒนาตัวเองพอในเชิงวัตถุแต่อย่าพอในการพัฒนาตัวเองในเชิงวัตถุก็คือหาปัจจัยสีให้พออยู่พอกินแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องสะสมมากสะสมมากไปเดี๋ยตายทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดพระพุทธองค์ตรตัสว่า เมื่อตัวจะตายทรัพย์สักนิดก็หาติดตัวไปได้ไม่แต่ในแง่คุณธรรมในแง่การพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณนั้นเราต้องไม่พอเราต้องพัฒนาไปจนกว่าจะถึงปลายทางของคุณงามความดีสูงสุดคือภาวะพระนิพพานฉะนั้นที่บอกว่าพอๆนั้นคือให้พอใ น, นเชิงวัตถุเพราะวัตถุนั้นครอบครองไปก็เท่านั้นหาเท่าที่จำเป็นต้องกินต้องใช้ เก็บสะสมบ้างเพื่อความมั่นคงของชีวิตก็พอแล้วจากนั้นก้าวต่อไปในทางจิตวิญญาณแต่คนทุกวันนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ยึดติดถือมั่นอยู่ในโลกของวัตถุหาจนเกินกว่าที่ตืองจะต้องกินจะต้องใช้โลภโมโทสันกันไม่จบไม่สิน้นและดังนั้นจึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในเชิงเศรษฐกิจขึ้นมากมายในสังคมในบ้านในเมืองของเรา เพราะคนเราไม่รู้จักพอแต่วันหนึ่งถ้าเรามาระลึกนึกขึ้นได้ว่าเราจะต้องตายนะเราจะรู้ขึ้นมาเองว่าเราจะสะกดคําว่าพอตรงไหนใครก็ตามที่สะกดคําว่าพอเป็นคนนั้นเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเลยรู้ไหมแล้วจะทําให้เราเหนื่อยนะ้อลงและชีวิตนั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้นชีวิตจะง่ายขึ้นมากจืเหนื่อยน้อยลงอย่างมากถ้าเรารู้จักคําว่าพอฉะนั้นในทัศนะของพระอาจารย์ปฏิหารไม่ใช่การห่อเหินเดินหา่า มีการล้มหัหายตัวไม่ชีกา ร, ววา ม, การมีเงินเป็นแสนแสนล้านยูเอสดอลลาร์ในรัศนัยของพระาจ้านะปาฏิหาริย์เกิดจากการรู้จักพอใครพอเป็นชีวิตของคนนั้นมีปาฏิหาริย์ทันทีเพราะคนที่รู้จักพอนั้นจะมีความสุขกับสิ่งที่มีหลายคนมีบ้านราคาแพงลิกแต่ไม่เคยมีความสุขกับบ้านอย่างแท้จริง เพราะมองหาบ้านหลังใหม่ซึ่งเขาคิดว่าน่าจะให้ความสุขเขาได้ดีกว่านั้นมีรถก็ไม่เคยมีความสุขกับรถขนั้นอย่างแท้จริงเพราะคิดว่ารถที่ดีกว่ากำลังจะมามีเงินมหาศาลก็ไม่เคยรู้สึกในความสุขกับเงินก็นั้นเพราะคิดว่าน่าจะมีเงินมากกว่านี้น่าจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้ามีสักร้อยล้านคันมีร้อยล้านก็คิดว่าน่าจะสุขมากกว่านี้ถ้ามีสักห้าร้อยล้านว่าไปเด็กห้าร้อยล้านก็คิดว่าจะสุขมากกว่านี้ถ้ามีสักพันล้าน พอไปถึงเป้าที่ตั้งเอาไว้ประกอบกความสุขก็ยังไม่มาเพราะไม่พอฉะนั้นความสุขกับความพอนี่เป็นปฏิปิริยาผกผันระหว่างกันแล้วกันจุดที่เราพอความสุขจะเกิดขึ้นความสุขเหมือนดอกเห็ดซ่อนอยู่ใต้ผิวดินมันอยู่ตรงนั้นวันไหนฝนโปรโยสายลงมา ชโลมหน้าดินดอกเห็ดนั้นจะชำแรกผิวดินขึ้นมามันเป็นปฏิกิริยาระหว่างกันและกันใช่ไหมเช่นเดียวกันทันทีที่เราสะกดคำาะพร้ความสุขก็รอเช็คแฮนอยู่ตรงนั้นแหละแต่หลายคนไม่ชอบคำนี้ชอบที่จะวิ่งไปให้สุดสายแห่งถนนชื่อความอยาก โดยหารู้หมว่าถนนชื่อความอยากนี่เป็นถนนที่ไม่มีที่สิ้นสุดถนนเส้นนี้ไม่มีจุดสิ้นสุดความอยากนั้นเป็นดังหนึ่งเส้นขอบฟ้าวิ่งด้วยความเร็วแค่ไหนก็ไปไม่ถึงหรอกเป็นเหมือนทะเลเติมน้ำลงไปยังไงก็ไม่เต็มหรอกเป็นเหมือนไฟที่เติมเชื้อเพลิงอย่างไรก็ไม่มีวันอิ่ม เป็นเหมือนทศนยมที่ไม่รู้จบรู้สิ้นฉะนั้นใครก็ตามที่ทุ่มทั้งชีวิตลงไปเพื่อปรารถนาจะเติมความอยากให้เต็มเขากาลังเข้าใจเพียดอย่างยิ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ชาติว่าอิจฉานันตะโคจราแปลว่าความอยากไม่มีที่สิ้นสุดแต่ชีวิตคนสิ้นสุดไหมชีวิตคนสิ้นสุดนะโลกทุกวันนี้ไม่ได้สอนกันอย่างนี้ไม่ได้พูดความจริงอย่างนี้ เราเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่การยั่วให้อยากแล้วหลอกให้ซื้อใช่ไหมแต่มนุษย์ก็เลยถูกกระตุ้นด้วยความต้องการเทียมๆเมพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผลก็คือต้องหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในวันที่คุณมีพร้อมที่สุดเลยมีเงินมหาศาลปรากฏว่าไม่มีสังขารจะใช้เงินใช่ไหม ในวันที่มีเงินมหาศ า, าลเปล่าะตอนนี้มีแล้วนะปีน่าเกษียณแล้วจะใช้เงินให้เต็มที่เลยพอถึงวันนั้นมาปรากฏว่ากเกษียณพร้อมกับโรคร้ายเป็นนอนใช้เงินอยู่ในโรงพยาบาลชั้นหนึ่งประกันชั้นยอดดูแลเราอย่างดีทุกท้า อ, อนอน ก, กุหลาบมาให้ฉลองวันเกิดเราที่โรงพยาบาล น, นะมีเงินมหาศาลไม่มีสังขารจะใช้เงิน มันคุ้มไหมความสุขอยู่ระหว่างทางหลายคนคิดว่าความสุขอยู่ตรงปลายทางถ้าเกิดคุณไปไม่ถึงปลายทางล่ะล้งรับดับขันซะก่อนและขณะเดียวกันระหว่างทางคุณก็ไม่ไม่เคยสนใจเลยเพราะคุณมวัวแต่หางเงินหางเงินหางเงินคิดว่าจะเอาไปใช้ปลายทางเช่นหลังกเกษียณปรากฏว่าคุณไปไม่ถึงปลายทาง คุณเมามันกับการทำงานไปสักพักหนึ่งคุณก็ป่วยด้วยโรคไตและคุณก็ตายมันระหว่างกลางทางสำนวนฝรั่งเรื่องอาการอย่างนี้วัดตายกลางเรื่องชีวิตกำลังรุ่งโรจนโชตนาทุกสิ่งทุกอย่างกาลังไปได้ดีคุณกาลังโดดเด่นดังหนึ่งพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่แล้วโดยไม่คาดคิดคุณก็ถูกความตายมาพรากไปเพราะคุณประมาทในชีวิตคุณลืมคิดไปว่าวันหนึ่งคุณจะตาย มาตายกลางเรื่องไม่ทันได้สั่งเสียไม่ทันได้เตรียมอะไรทั้งสิ้นปรับปรับลงรับดับขันไปไม่ทันได้ลาใครด้วยซ้ำความตายนั้นเป็นมัจจุราชที่เวลาจะมาหาใครไม่ทรงหมายล่วงหน้าเวลาเราใช้โทรศัพท์เงินหมดเขาเตือนัหมเขาเตือนนะ เวลาเราใช้ไฟฟ้าเขาจะตัดไฟเนี่ยถ้าเราไม่จ่ายตังเขาเตือนไหมแต่เวลาเราจะตายนี่ใครเตือนมันไม่มีใครเตือนและคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบให้ใครมาเตือนเรื่องตายใช่ไหมบางทีฝันถึงความตายนะฝันเห็นตัวเองนอนอยู่ในโรงเอามาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็วบาเออดีแล้วฝันร้ายจะกลายเป็นดีสัจธรรมกาลังปรากฏตัวอยู่ต่อห น, น้าแล้ว ก็ไม่ยอมเปิดหูเปิดตาอีกเฉ๋ยไฉทำนายไปลเลอะเทอะปิดหูปิดตาต่อสัจาธรรมอีกอับราฮัมลิีนข้อนก่อนท่านจะถึงแก่สัญญกรรมคืนหนึ่งท่านฝันว่าท่านเดินเดินลงไปในห้องทำงานที่ทำเนียบข่าวทุกห้องเห็นแต่คนร้องไห้ใส่สีดำแต่ไม่รู้ว่าศพใคร ท่นเดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปทุกคนซึ่งเป็นคนที่ท่านรู้จักร้องห่ว์ร้องไห้กันหมดทุกมุมของห้องไม่มีใครทักทายท่านเลยท่านก็สงสัยมากว่ามันศพใครเนี่ยทำไมมาจัดในเตาเนียบขาวเดินต่อไปเดินต่อไปจนไปถึงห้องทํางานห้องหลักของทําเนียบขาวท่านเห็นลงศพโลงหนึ่งตั้งอยู่ ท่านเดินเข้าไปดูใกล้ๆถามเขาว่าศพใครคนที่ยืนเฝ้าบอกว่าศพท่านประธานาธิบดีท่านก็สะดุ้งตื่นท่านเล่าว่าเมื่อตื่นมาแล้วยังจดจำได้ดีถึงบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าของผู้คนที่มาปรากฏในฝันวันรุ่งขึ้นระหว่างทานข้าวกับท่านผู้หญิง ท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านผู้หญิงบอกว่าคุณเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยหรือไม่เห็นจะต้องปักจิตปักใจอะไรเลยท่านประธานาธิบดีก็บอกว่าเออนั่นสินะอีกสองวันต่อมาท่านก็ไปดูละครท่านโทรศัพท์ไป น, นัดนายพลคนหนึ่งให้ไปดูละครกับท่าน รักกว่าในพลคนนั้นปฏิเสธบอกว่าติดธุระด่วนผลก็คือท่านก็ต้องไปดูละครกับภรรยาของท่านโดยที่ไม่มีท่านในพลคนสำคัญไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมท่านในพลคนนั้นไปการอารัขาก็จะเข้มข้นขึ้นอีกแต่ิรนคอนนั้น โปรดปราณการไปนู่นมานี่โดยไม่ต้องใช้กองอารักขาท่านบอกว่ามันเข้าถึงประชาชนมันเป็นจุดแข็งนะเพราะทำให้คนเข้าถึงทันได้ง่ายและรักท่านแต่มันเป็นจุดอ่อนในเรื่องของการอารักขาใช่ไหมผลก็คือท่านไปดูละครในบรรยากาศสบายๆและมัจจุราชก็มาในานามของหนึ่งในผู้เล่นละครคืนนั้น ซึ่งพรางตัวอยู่ในโรงละครแห่งนั้นแล้วจาหยิงท่านง่ายๆจากเบื้องหลังท่านเสียชีวิตเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนความฝันของท่านทั้งหมดท่านผู้หญิงมาเล่าในภายหลังว่าถ้าเชื่อเรื่องความฝันท่านก็คงรอดเห็นหรือยังจริงๆนั้นสัจธรรมพยายามจะเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างต่อเราตลอดเวลาแต่เราอ่ะ ไม่พากันสำเนียกผู้เึ่งเปลี่ยนเรื่องตายขึ้นมาเฉยๆตลอดฝันเห็นตัวเองตายก็เล่าให้เพื่อนฟังคุณก็แก้ต่างให้นเนี่ยฉันว่านะงวดเ น, นี้ยแกโชคดีนะแกต้องรีบเลยนะรีบซื้อเลยเนี่ยมัจุรัสส่งจดหมายเตือนมานะก็ไม่ยอมเปิดอ่านปรับเป็นขึ้นมาตายขึ้นมาป๊บ และคนที่ได้ยินความฝันก็จะมาบอกในงานศพนะเออเนี่ยก็เพิ่งมาบอกฉันเมื่อวานนี้นะแท้เลยนะเนี่ยนี่ถ้าเอะใจสักหน่อยเขาก็คงไม่ไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้มันเป็นความผิดของฉันเองขออภัยโดยจะมาผิดทําแมวอะไรตอนนี้ <c oughs> ในเมื่อเขาปืนไหมเนี่ยคนเขากําลังได้รับสัญญาณจากพยามาจุราช แทนที่เราจะช่วยไขยรหัสนั้นเราก็พูดให้เขาประมาทใช่ไหมหลายครั้งหลหวนมันเป็นเช่นนี้ใช่ไหมโลกนี้นะ่ะไม่ไม่ได้มีแค่สิ่งที่ตาเห็นนะมีสัมผัสที่หก extrasensory perception ESP มันมีสัมผัสที่หกมีมิติที่หกเช่นความฝัน หรือลังสังหร์บางสิ่งบางอย่างซึ่งฟังดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องใครต่อใครหลายคนมีประสบการณ์เรื่องความฝันและฝันนั้นเป็นจริงเมื่อสองปีที่แล้วพระอาจารย์ฝันว่าต้นมะปรางอายุกว่าร้อยปีที่หน้าบ้านของพระอาจารย์ ถูกใครก็ไม่รู้มาตัดแล้วต่อยังไงก็ต่อไม่ได้พระอาจารย์ก็ใจคอไม่ดีก็เล่าให้ญาติญาติฟังว่าเออช่วงนี้ใช้ชีวิตระวังกันหน่อยนะฝันไม่ดีและภายในปีนั้นเองพระอาจารย์ก็เสียโยมพี่เขยซึ่งเป็นโยมอุปถาก ที่เป็นเจ้าภาพบวชเนนและบวชพระให้พระจาจาร์พระจานทร์เรียกท่านว่าพ่อคนที่สองก่อนที่จะเสียเรามาทําบุญทําบุญใหญ่ที่วัดข้างล่างนะ่ะปากซอยนะ่ะทำบุญตาลกุ้ยสลากหรือทําบุญปุบพระเปตะพลีคือทิศบุญกุศลให้ญาติที่ล่วงลับเป็นบุญใหญ่ของชาวเหนือ มักจะทําในเดือนตุลาคมในวันที่เราทำบุญใหญ่นั่นนะ่ะคนนับพันอันตามาภาพแลยมเพราะบุญธรรมก็ทําบุญแล้วก็กรวดน้ําให้บรรพชนเรานั่งด้วยกันนะ่ะอัตามาก็กรวดน้ําท่านก็กรวดน้ําพอทําบุญเสร็จปับ๊บอีกวันหนึ่งอัตามาเรียกญาติทุกคนมานั่งล้อมวงกินข้าวตรงหน้าห้องรับแขกวันนั้นญาติพี่น้องมาครบหมดอัตามาก็บอกว่าเอา้า เอาสําหรับกับข้าวมาตั้งตรงนี้วันนี้จะขอกินข้าวกับพี่น้องสักวันหนึ่งแต่พระอาจารย์ก็นั่งเป็นประธานในวงข้าวล้อมด้วยญาติพี่น้องสิบกว่าคนแล้วธรรมภาพก็บอกลูกศิษย์ว่าเอาถ่ายรูปไว้เนี่ยรอบสิบปีแลยนะเนี่ยมานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา ก, กันถ่ายรูปไว้ลูกศิษย์ธรตมภาพก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเรียบร้อยกินข้าวอย่างมีความสุขลูกศิษย์ก็เารวปมาให้ดู ทุกรูปเป็นรูปที่ถ่ายแล้วเห็นแต่หลังยมพ่อบุญธรร ม, มตอตมาทาัท้งหมดลกศิษย์บอกว่าเนี่ยมันเป็นงานศิละปะไม่มีใครรู้ว่านั่นคือเดอะลัสเซเพอร์มือสุดท้ายที่พระอาจารย์และญาติทุกคนได้กินข้าวล้อมวงกับยมพ่อบุญธรรมซึ่งเป็นเสาหลักคนหนึ่งของบ้านเพราะว่าพอท่านกลับไปที่เชียงของ ท่านก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ถือเครื่องตัดหญ้าขึ้นไปตัดหญ้าบนเขาซึ่งท่านทำสนยางพาราไว้และระหว่างนั้นท่านก็เป็นลมหลานคนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์พอเห็นลุงเป็นลมก็วิ่งมาเรียกคนที่ในหมู่บ้านกลับขึ้นไปก็หมดลมเรียบร้อยเสียกันง่ายๆแบบนั้นไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทั้งสิ้น ไม่มีประวัติการเข้าโรงพยาบาลหน้ามืดครั้งเดียวแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วก่อนที่ท่านจะเสียลูกสาวของท่านเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกกำลังเปิดบริษัทใหม่เปิดสํานักพิมพ์แล้วก็บอกพ่อว่าพ่อพรุ่งนี้นะั่นหนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์กำลังเจ อ, อกมาพ่อรอดูนะั้นนี่คือความสำเร็จของหนูเลยเจ็ดปีที่หนูไม่อยู่ในเมืองไทย หนูกลับมาครั้งนี้จะพิสูจน์ให้พ่อดูวา่าหนูทำธุรกิจเป็นพรุ่งนี้นะพ่อนะหนังสือจะถึงมือพ่อท่านล่วงไปหนึ่งวันก่อนที่หนังสือจะพิมพ์เสร็จวันนั้นอาจารภาพากำลังนำแขกผู้ใหญ่ชมราชชนตะวันอยู่ลูกศิษย์แหวกวงล้อมเข้าไปบอกว่าพระอาจารย์พ่อบนธรรมเป็นลมน่าจะ คู่ไม่ทันแล้วพระอาจารย์ยังคิดในใจว่าเป็นลมก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากก็นำแขกชมต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเพราะในใจก็วางใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะไม่เห็นแก่ป่วยสักทีหนึ่ ง, งพอแขกกลับปับ๊บโทรศัพท์ไปถามปรากฏว่าหมอชนสุเรียบร้อยว่าสิ้นชีวิตเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังความฝันไม่ถึงหกเดือน และทําให้เราถอดรหัสความฝันได้ว่าต้นมะปรางใหญ่อายุกว่าร้อยปีที่ถูกตัดและเชื่อมอยังไงก็เชื่อมไม่ได้ต่ อ, อยังไงก็ต่อไม่ได้ก็คือท่านเห็นหรือยังฟังดูไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นความจริงไหมมันเป็นความจริงเอาใกล้เข้ามาอีกก่อนหน้าอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตพระอาจารย์ไปแสดงธรรมอยู่ที่ญี่ปุ่นคืนสุดท้ายก่อนจะเดินทางกลับฟันอีก ฝันว่าพระอาจารย์เดินเข้าป่าไปและพบกับเจดีเก่าสององค์กําลังจะยืนเพินิพิจารณาจู่ๆเจดีสององค์นั้นก็พังครืนลงต่อหน้าต่อตาในฝันนั้นพระอาจารย์ตกใจมากหันไปพูดกับเพื่อนว่าเอ๊ะนี่รังไม่ดีนะรุ่งคืนก็เล่าให้ลกูกเสร็จฟังแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่าเนี่ยสําคัญมากกลับมาถึงเมืองไทยสามวัน ก็ได้ข่าวอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติสิน้นซึ่งในฐานะที่สนิทสนมคุ้นเคยกับท่านก็รู้สึกสั่นสะเทือนสะเทือนใจเพราะไม่ได้ไม่ได้เยี่ยมไม่ได้ล่ํำลาพอาจารย์กับอาจารย์เฉลิมชัยตั้งใจไว้ว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์ถวันด้วยกันตกลงไม่มีใครได้ไปเยี่ยมทั้งสิน้นแค่ป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ รวดเดียวจบนะเห็นไหมพอพระอาจารย์เล่าเรื่องนี้พระอาจารย์นําเรื่องนี้ไปเล่าในงานของท่านอาจารย์ถวันดเดชเนรศิลปินหลายคนตกใจกลัวกันหมดอาจารย์เฉลิมชัยกลับเชิงรายทันทีกลับว่าร้องคุณสั่งทำพิไณไกรรมกลัวจะเป็นเจดีองค์ที่สอง แล้วมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าผมสั่งทําพิธีกรรมหมดแล้วเพราะว่าสองท่านนี้สนิทกันมากอยู่มาหลังงานศพของท่านอาจารย์ถวันดัชนีเพียงเก้าวันศาสตราจารย์ประหยัดพงดําเสียชีวิตศิลปินแห่งชาติเป็นครูและเพื่อนที่รักที่สุดของอาจารย์ถวันดัชนีเจดี JD. องค์ที่สองล่วงไปพอเจออาจารย์เฉลิมชัยอีกปรทิตศหนึงอาจารย์บอกว่า ผมโล่งละเห็นหรือยังมัจจุราชพยายามจะสื่อสารกับเราใช่ไหมแต่เราคนไทยชอบไหมเรื่องแบบนี้เราไม่ชอบถ้ามีสัญญาณเรื่องตายเนี่ยเราไม่ชอบผู้เรื่องตายเราก็ไม่ชอบแต่จริงๆแล้วพระอาจารย์เชื่อมันมาถ้าเราไม่พยายามปิดหูปิดตา แต่พยายามที่จะกลับมาสบตากับความตายนะพระอาจารย์เชื่อมันว่าเราจะเตรียมตัวทันฉะนั้นเราเรียนเรื่องมรณานุสติหรือมรณะสติระลึกถึงความตายเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อที่จะให้พากันตายนะเรียนเรื่องตายไม่ใช่เพื่อที่จะให้พากันตายนะแต่เรียนเรื่องตายเพื่อที่จะให้พากันอยู่อย่างคุ้มค่าที่สดุดมีศิลปินคนหนึ่งมาเข้าคอร์สภาวนากับพระอาจารย์ พอได้เดือนเรื่องมโนัสติปั๊บเขาคลานมาถามาพระอาจารเนี่ยผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันเศร้ามากเราจะหาเงินไปทําไมเดี๋ยวก็ตายหมดแล้ว่ะผมจะมีลูกมีเมียไปทําไมเดี๋ยวก็ตายแล้วผมฟังแล้วผมไม่อยากกลับไปเล่นหนังเลยอันนี้คือระลึกถึงความตายในทางที่ผิด ถ้าลึกถึงความตายนั้นในทางที่ถูกต้องพอ่อและลึกถึงแล้วจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วรู้ว่าต้องเลือกทําเฉพาะสิ่งที่สําคัญที่สุดเท่านั้นอะไรที่ไม่สําคัญเราต้องกล้าที่จะตัดทิ้งเราต้องกล้าที่จะทิ้งนับพันสิ่งเพื่อทําบางสิ่งซึ่งเลือกแล้วว่าสําคัญที่สุดที่เราจะเดิมพัานกับมันด้วยชีวิตทั้งชีิตแต่ถ้า <S <S เรียนเรื่องตายแล้วหดหูเรียนเรื่องตายแล้วเศร้าเรียนเรื่องตายแล้วไม่สู้แล้ว ไม่ตามหามาแล้วความฝันเนี่ยยังไงมันก็ตายอันนี้คือผิดเราเลึกถึงความตายเมื่อเราลึกแล้วจะมีปฏิกริยาสองอย่างหนึ่งเราเลึกถึงแล้วกลับมาเกิดทำมันสังเวชดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทพยายามใช้ชีวิตทุกวันให้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความไม่ประมาทเช่นพยายามทำบุญทำกุศล พยายามใช้วันเวลากับคนที่รักอย่างดีที่สุดพยายามทํางานให้ดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเมื่อเราจากไปงานจะได้อยู่แทนตัวอันนี้ถูกต้องแต่ครั้นระลึกถึงแล้วเศร้าหมองหดหู่ไม่มีกระจิกกระเจียจะทำอะไรอันนี้ผิดฉะนั้นที่ให้เราได้ดูวีดิทัศน์เรื่องความตายนะไม่ใช่จะชวนให้เราหดหู่ แต่ต้องการชี้ชวนให้เรากลับมากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วถามใจตัวเองว่าหากวันหนึ่งเราจะต้องเดินทางไปถึงตรงจุดนั้นคำถามก็คือแล้วระหว่างทางเราเตรียมตัวหรื อ, อยังเพราะเราได้เตรียมตัวไหมน้อยคนจะเตรียมตัวเพราะเราเอาแต่หลบเลี่ยนหนหน้านะความตาย เวลาพระอาจารย์ไปเทศนงานศพก็ไม่ค่อยตั้งใจฟังหรอกต่างจังหวัดยิ่งแล้วใหญ่พอพระจะเริ่มเทศก็แจกเม็ดแตงโมเขียวพอพระสวดซึ่งฟังไม่รู้เรื่องหรอกเงียบพอพระเริ่มเทศคุยสวนทำไปทำไมคุณไปงานศพทำไม คุณไม่เอาแกนเลยทางจังหวัด น, นี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะไม่ได้สัจธรรมจากงานศบเลยไปงานศพอยู่เป็นเพื่อนศพมีวันหนึ่งกันมาภาพเทศเสร็จอาจรมาก็ถามโ ย, ยมอะโยมจะกลับหรือยังยังนะครับอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าแม่ตอนแกยังอยู่แล้วสนิทกันนะครับอาจารย์ เจ้หมอนี่มันอยู่เป็นเพื่อนทุกคืนเลยมันเป็นเจ้าของวงฮีโลมันไปไหนไม่ได้นี่คือความจริงเคยเจอไหมเคยเจอไหมนี่ยบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนศพแล้วคุณได้เรียนรู้ธรรมะไหมแล้วช่วงที่พระจะเทศน์เนี่ยเขาจะกลับไปอาบน้าอาบท่าเขาจะกะเลยสามทุ่มพระกลับแล้วมาแล้วตั้งวงแล้วอยู่เป็นเพื่อนศพจนวันสุดท้าย พอวันสุดท้ายเนอะชายบรณ ก, กิจบเรียบร้อยเขาจะเก็บเต็นท์เก็บเข้าเก็บของแกจะอยู่อีกสองวันเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าภาพไม่เหงาแล้วเก็บทุกมดัดแล้วถามมาเข้าใจไหมเนี่ยที่พระประเทศมันสอนเรื่องความตายเนี่ยสัจธรรมสุดท้ายเนี่ยไม่สนด้วยซ้าไปและพระเทศนานก็บนนะบนกระปอดกระแปดมาจากข้างล่างแต่ถุนบ้านนอนให้ได้ยินทีเดียว พระอะไรเทศยาวคนจะหลับจะนอนที่เราพักหายใจเราได้ยินเลยนะพูดสวนขึ้นมาเลยนะละเม็ดแตงโมเนะี่ยทําไมไม่แจกซะตอนกลางวันทําเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะ้เอาใส่จานมาส่งต่อกันเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดต่อหน้าพระให้เห็นกันไปเลยแล้วแก่พร้อมกันนะสักร้อยคนนะ่ะตแล้วนี่มนุ์พระไปทําไม พระเตรียมตัวไปเทศหลายวันนะพอไปถึงปั๊บพอพระตั้งนโมเมตตังโมถูกส่งต่อกันตั้งใจเทศอย่างดีไม่ฟังเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่มีเมตตังโมแต่ก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์สไลด์ตลอดบางครั้งอยากแอบลงจากธรรมะแล้วขอชังโงกดูด้วยเถอะมันสำคัญขนาดนั้นหรือโยม พระได้อยากรู้จริงๆสำคัญถึงขั้นนั้นเลยหรือฟังสักหน่อยได้ไหมสัจธรรมสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนฟังหน่อยได้ไหมไม่ค cool. ่อยฟังพอสักพักหนึ่งพระท่านตั้งพัดสวดกุศลากุศลาธรรมอากุศลาธรรมมากะเ็บปนมือแต่ถามว่ารู้เรื่องไหมไม่รู้อ้านตอนเทศดูเรื่องไม่รู้แต่ทาไมไม่ฟัง ที่ท่านให้ไปงานศพเพื่ออะไรพวกเรารู้ไหมไปเรียนธรรมะที่ให้ไปงานศพคือให้ไปเรียนธรรมะไม่ใช่เป็นนั่งข้างหน้าพนมมือเตะให้เกียรติผู้ตายผู้วายชนจะไปรู้เรื่องอะไรที่ท่านให้ไปให้ไปก็เพราะว่าคุณไปนะแล้วคุณจะได้เรียนรู้สัจธรรมสุดท้ายของชีวิตและเดี๋ yn ี้พอเราไปเนี่ย ก็ไม่ได้ฟังแท้แล้วหน้าศพก็แต่งอย่างดีเอารูปหลอๆทั้งนั้นมาติดรูปยังหนุ่มยังสาวใสกิ๊กบางคนบางรายแต่งหน้ายัางฟรุง้งฟริแบบบงศพมีน้ําตกด้วยจงใจปิดบังศัสนาธรรมกันไปเลยว่าไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเรียนรู้อะไรหรอกเห็นนะม แท้ที่จริงที่ท่านให้พระไปสวดในงานศพและให้โยมไปในงานศพเป้องหมายของท่านคืออะไรต้องไปดูในพุทธประวัติเวลามีคนตายเนี่ยญาติโยมจะมานิมนต์พระไปหรือบางทีคนกําลังป่วยญาติโยมจะมานิมนต์พระละจะมานิมนต์ว่ า, าคนบ้านโน้นกําลังป่วยนะหลวงพ่อเตรียมตัวนะไปพิจารณาศพคําว่าไปพิจารณาศพก็หมายความว่าไปเรียนสัจธรรมสุดท้ายของชีวิต ว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอพระไปถึงปับ๊บท่านก็พิจรารณาอนิจจาวัฏสังขารสังข า, า, ารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมไม่หนอมีเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมอุปาจิตวานิรุชันติเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเตสังวูปสมโมสุขโขการระงับดับสังขารจะได้เป็นความสุขนี่ยคือให้พระไปพิจารณาอย่างนี้นะ หมายความมาให้พระไปยืนดูศพเลยดูซึ่งซึ่งหน้าเลยกล้าไหมทำไมก่อนก็ไม่แต่งหน้าศพหรอกตายยังไงก็ดูอย่างนั้นละพอพระไปถึงพระก็เป็นคนแรกที่เขาไปดูฉะนั้นในมหาสตรริปัฏฐานสูตรจึงมีอยู่บทหนึ่งที่ว่าด้วยการพิจารณาซากศพเขาเรียกว่า อสุภกะกรรมฐานให้พระไปพิจารณาซากศพไปเรียนธรรมะจากอาจารย์ใหญ่โดยตรงถ้าหลายรูปไปพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็เข้าใจสัจธรรมในชีวิตบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลในผ่านและที่ให้โยมไปงานศพก็ให้ไปด้วยคติเดียวกันคือไปแล้วก็ให้ไปดูงานศพเป็นไปนอย่างนี้ที่นอนๆอนอยู่นั่นอ่ะวันหนึ่งเราก็จะนอนเหมือนเขา แล้วที่ตายกองอยู่นั่นน่ะวันหนึ่งเราก็จะตายกองเหมือนเขาที่เน่าอยู่นั่นนะก็ให้ไปดูว่าวันหนึ่งเราก็จะเน่าเหมือนเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีให้ไม่มีใครได้เน่าเลยใส่ลงเย็นหมดจีดยากันบวชกันเน่าหมดตามหลักก็ต้องปล่อยให้บวชให้เน่าบ้างทําไมก็เมื่อโยมไปแล้วอ่ะโยมจะได้สัธจธรรมไง הן. ครั้งหนึ่งมีคนมานิมนต์พระอาจารย์ไปงานศพ เสียชีวิตเพราะขับรถประสานงานกับสิบล้อเร็นเจ้าภาพโจรมากไม่มีปัญญาจ้างหมอมาฉีดยาหรอกเก็บรวบรวมสา ร, ระสังขารที่แตกกระจายเกลื่อนยังกระแตงโมอโตกร่ะรวบรวมเท่าที่จะรวบรวมได้ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาใส่ห่อแล้วก็วางลงในโรงกกระจายหมดก็นิมนต์พระอาจารย์ไปเป็นประธานสวดศพพระอาจารย์ก็ไปแล้วก็นั่งอยู่ ข้างหน้าลงอ่ะเสียวหลังวุบบับพันยาก็มาบรรยายฉากชีวิตของสามีให้ฟังว่าประสานงานยังไงแล้วไปเก็บมาได้เท่าไหร่เหลือกี่ชิ้นแล้วก็เล่าด้วยว่าไม่ไม่มีปัญญาไปหาหมอมาเชดยาสลบเพราะว่าเราจนกันมากแล้วเหม็นตะหลบดอบอวร และเนื่องจากประสานงาก็มีกลิ่นไหม้ด้วยใช่ไหมกลิ่นไหม้นั้นก็ลอยมาปะทะจมกูกเหม็นตรบอบอวนเทศจัดแสดงทำเสร็จเขาก็ยกสำรับกับเข้ามาถวาย <c oughs> ายายามจะฉัน <c oughs> มันไม่ลงจริงๆ <c oughs> กลิ่นไหม้ของคนนี้มันเป็นกลิ่นที่ <c oughs> ข้าวเหมือนจริงๆมันมันอธิบายไม่ได้ โยมทั้งหาวกาดไปเผชิญด้วยตัวเองแล้วก็กนิมนต์ดามพะไปรดน้นศพแขนนั่นก็ขาดจากตัวแล้วลหละแต่เขามาวางต่อกันพระจังทร์ก็เลิกผ้าขึ้นมาแล้วก็รดน้ำพิจนากลับมาคืนนั้นพอหลับตานอนแล้วก็เห็นทุกอย่างเห็นมือซึ่งเป็นสีเขียวกลสีขาว เจอสน็จเหมือนไก่ต้มฟักมันขาวซีพระอาจารย์เติบโตขึ้นมากข้างในจากงานนั้นรู้ไหมพระอาจารย์เรียนจบเปรนธรรมก้าเปรี่ยชนพระอาจารย์ก็ไม่เคยทราบเซงกับการพิจารณาสุภะเพราะว่าเราเรียนมาแบบเชิงตำราเรียนมรรณะสติเลยนะ เป็นพิจารณาซักศพด้วยนะเขาไม่เคยเข้าใจอะไรเลยแต่การไปงานนั้นพอกลับมาปั๊บพระอาจารย์รู้แล้วว่านี่คือของจริงและรู้ไหมโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนหรอกพระอาจารย์รู้ว่าประมาทในชีวิตไม่ได้แล้วประมาทไม่ได้เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยจึงบอกเดงเสมอว่า จะต้องใช้ชีวิตดังหนึ่งทุกวันคือวันสุดท้ายของชีวิตพระเจ้าถือเป็นคติธรรมประจําใจและดังนั้นเวลาทําอะไรพระาจารย์จะทําอย่างดีที่สุดเสมอไม่ได้คิดหรอกว่าวันนี้วันนี้เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเกิดพรุ่งนี้ไม่มีล่ะอย่าคิดว่าจะมีพรุ่งนี้สําหรับพวกเรานะเนี่ยมาที่นอนเล่นอยู่เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีพรุ่งนี้สําหรับมันก็ได้ ฉะนั้นคุณรักใครคุณต้องไปดูแลเลยนะคุณรักใครคุณไปดูแลเขาแต่ก่อนที่จะไปดูแลเขาคุณต้องดูแลตัวเองเอาไว้ดูแลคนอื่นก่อนบางคนพยายามจะดูแลคนนั้นพยายามจะดูแลคนนี้ทําอย่างดีที่สดุดแต่แล้วไม่ได้ดูแลตัวเองตายก่อนคนที่คุณดูแลพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนต้องไปเฝ้าไข้เขาใช่ไหมเคยเห็นไหมไปเฝ้าไข้คุณพ่อไปเฝ้าไข้คุณแม่แล้วคนแก่ก็ ตื่นทุกต้นชั่วโมงอะ่ะเฝ้าไปเฝ้ามาเฝ้ามาเฝ้าไปสามเดือนสุดท้ายคนเฝ้าไข้ล่วงไปก่อนเพราะพระก่อนไม่พอเนี่ยฉะนั้นต้องดูแลตัวเองเอาไว้ดูแลคนอื่นด้วยหลายคนไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยพอพระเทพพอพระสอนหรือมีคนเอาซีดีเรื่องมรณะสติไปฝากไม่กล้าเปิดไม่เอาเรื่องอย่างนี้ไม่ฟังกลัว ไม่เป็นมงคลที่หน้าที่หลังจะเ อ, อะไรมาฝากดูหน่อยสิเนี <c> ่ย <oughs> เอามาฝากกันทาไมเรื่องมรณสติเนี่ยแช่งกันใช่ไหมอย่างนี้ก็มีนะพระอาจารย์เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสบตากับความตายสานักพิมพ์มาขอไปพิมพ์พระอาจารย์ยืนยันใช้ชื่อเนี้ยบรรณาธิการบอกว่าถ้าใช้ชื่อเนี้ย เราไม่กล้าพิมพ์จบตากับความตายพระอาจารย์บอกว่าถ้าไม่าไม่กล้าพิมพ์พระอาจารย์ก็ถือว่ายกเลิกถ้าไม่พิมพ์เนะยก็ยกเลิกไปเลยแต่ถ้าจะพิมพ์ต้องใช้ชื่อนี้ครับครับงั้นจะลองพิจารณาดูเอาไปพิมพ์พอพิมพ์ออกมาหมื่นเล่มกลายเป็นหนังสือที่เบสเลอร์ทันที และการตอบรับสูงมากและเฉพาะตอนนี้เล่มนี้แปลไปแล้วห้าภาษาแม้แต่อินโดนีเซียก็แปลเล่มนี้ประเทศสเปนก็แปลเล่มนี้จีนก็แปลเล่มนี้อังกฤษก็แปลเล่มนี้ไม่เชื่อไปนค้นดูใน amazon.com มีเล่มนี้เป็นภาษาสเปนสารัอินโดนีเซียภาษาจีนภาษาอังกฤษ แสดงว่ามีคนตาสว่างกับเรื่องสศตากับความตายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรามาเรียนเรื่องสัจธรรมสุดท้ายของชีวิตคือวันหนึ่งเราจะตายกันหมดมันทำให้เราตื่นตัวขึ้นมาอย่างในอเมริกาปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวนัดเจอกันแล้วก็ทอลคคือสนทนากันเรื่องความตายเห็นไห นี่เป็นปรากฏการณ์ในระดับโลกหนังสือเกี่ยวกับคำพีโมรณนศาสตร์ของทิเบตเป็ดอันดับขายดีทั้งโลกนะกว่าสิบล้านเล่มหรือบางทีอาจจะมากกว่าสิบล้านเล่มมาถึงตอนนี้อาจจะเป็นยีสิบล้านเล่มทั่วโลกหนังสือขายดีที่สุดเลยนะในรอบสิบปีมานี้คือหนังสือที่ว่าด้วยโมรณนสติการระลึกถึงความตายฉะนั้นพวกเราชาวไทยเนี่ยอยู่กับพระพุทธศาสนาซึ่งสอนโมรณนสติอย่างประณีตละเอียดออที่สุด แต่ถ้าเราไม่เคยสนใจในเรานี่เป็นกบเท่านั่งเฝ้ากบบัวเลยนะลูกกบเท่าเท่าเฝ้ากบบวัวนะพอบัวตูมผลิดอกออกมาเลยนะมแมลงพึ่งมแมลงผู้ขมมตอมดอกบวัวจิ้มมาน้ําหวานไปกบเท่าเท่าัดนนั่งเฝ้าพึ่งแดดไม่รู้เรื่องเฝ้าอย่างเดียว ไม่ได้ประโยชน์ส่วนที่ผลอะไรเนี่ยเขาจึงเรียกว่ากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวพอพระจะพาเรียนสัจธรรมขั้นลึกปุ๊บไม่เอากลัวลึบที่ดีอย่างนี้วันหน้าวันหลังก็อย่ามาฝากนะตรงกันข้ามใครก็ตามเปิดหูเปิดตารับเรื่องการเจริญมรณสติระ ล, ลึกถึงความตายคนคนนั้นจะใช้ชีวิตดีขึ้นทันหูรันตาเลยนะเพราะ อ, อะไรเขาไม่ตา เขาจะรู้เลยว่าจะต้องทําอะไรและจะต้องตัดทอนอะไรนะฟังให้ดีนะเรียนเรื่องโมระนัสติจะทําให้หนึ่งรู้ว่าหรือเวลาเท่าไหร่สองรู้ว่าจะต้องทําอะไรสามรู้ว่าจะตัดทอนอะไรสี่รู้ว่าจะต้องเติมอะไรเห็นไหมมันมีประโยชน์ขนาดนี้นะแล้วที่บอกว่าไม่ประมาณไม่ประมาณนั้นไม่ประมาณนอะไรบ้าง คำตอบก็คือหนึ่งอย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวสองอย่าประมาทในวัยวายังหนุ่มยังสาวโรงไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนแก่ใช่ไหมทุกคนก็ไปนอนในโรงได้ทั้งหมดว่างๆอะ่ะไปซื้อโรงมาแล้วลงไปนอนไม่ต้องจอรูก็ได้ปิดเลย จะได้เตือนตัวเองว่าสุดท้ายเราต้องการพื้นที่แค่เนี้ยมีเรื่องเล่าในสมัยจกักรวรรดินิยมตะวันตกแพร่ n a าไปครอบครองทั่วทั้งโลกวันหนึ่งกัปตันพร้อมกับลูกเรือจำนวนหนึ่งขึ้นเรือมุ่งหน้ามายังตะวันออกและเรือปลางกลางมหาสมุทร พอเรือปลากลางมหาสมุทรลูกรือตายหมดเหลือแก่คนเดียวตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งนี้เกาะแห่งหนึ่งได้พอไปถึงเกาะมีชาวเกาะมาช่วยแก่ิห้ปีกขึ้นเกาะไปแก่เหยียบกวดเหยียบทรายขึ้นไปในสภาพอิดโรยเต็มประดาแต่ถึงกระนั้นพอทอดตามองลงเห็นกวดเห็นทรายแกตก็ตกใจตื่นตะลึงขึ้นมาทันทีเพราะอะไร ตรวดเห็นดินทรายที่แกเหยียบขึ้นไปบนเกาะเป็นเพชรทั้งหมดทั้งหมดเป็นเพชรหมดเลยแกตาลีตาเหลืองทั้งนั้นนี่ก่อนหน้าน่าจะตายอยู่แล้วนะทำ <c oughs> หัวหน้าชาวเกาะว่าเออท่านครับเนี่ยของจริงไหมจริงทุกอย่างที่คุณเห็นนะ่ะเพชรพลอยทั้งหมดแหละแล้วมีเยอะไหม <c oughs> ทั้งเกาะแกนอนรักษาตัวได้สามวันพอฟื้นตัวเดินสำรวจทั่วเกาะ กวดห็นดินทรายทั้งหมดเป็นเพชรเป็นพลอยทั้งหมดเกิดคิดแผนการชั่วขึ้นมาได้ในนาทีนั้นพอหายป่วยปั๊บขอให้เจ้าเกาะช่วยต่อเรือให้แกจะกลับไปเฝ้าพระราชาและบอกพระราชาว่ามีชาวเกาะ อ, อยู่ที่นี่จะได้กลับมาเซ็นเอ็มอูร่วมกันจะได้ทําอะไรดีๆร่วมกันชาวเกาะ ก, ก็ใจดีมากก็ช่วยต่อเรือให้แกหัวหน้าถามว่าจะเอาลำใหญ่ไหมแกบอกว่า ขอลำใหญ่ๆเถอเพราะว่าลำที่โดยสารมานั้นเล็กทําให้เรืออับปางฉะนั้นคราวนี้ต่อให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทําได้เพราะต่อเรือเสร็จตัดแกไปหาหัวหน้าเจ้าเกาะท่านครับเนื่องจากเรือนี้ผมจะนั่งคนเดียวมันจะมีปัญหาเรื่องการท่วงน้ําหนักฉะนั้นขอกวดขอทรายของท่าน่ะใส่ให้เต็มนะครับเพราะมันเป็นเพชรเป็นพอยทั้งหมดใช่ไหม ว่านาจาก็ก็บอกลูกน้องว่าเอาขนขึ้นไปเอาไปใสใ่เพชรเต็มหมดเลยมันจะได้ทวงน้ำหนักนะจะไ ด, ด้พอดีพอดีเพราะว่าเรือใหญ่ขนาด น, นี้แล้วโดยสารกับคนเดียวไม่ดีแน่เขาจะเอาเท่าไหร่ก็ขนมาให้เขาหมอได้ยิ้มกลุ่มเต็มเลยโอ้โอชาวเกาะช่างโง่จริงๆเลยนะเราจะเอาเพชรเอาพลอยยังไม่รู้เรื่องอีกแต่ในความเป็นจริงในสายตาของชาวกเกาะเ้ามองเพชรนินจินดาเหล่านั้นว่ามีค่าดังหนึ่งกวดสายเท่านั้นเขาไม่ให้ราคาเลย แต่ชาวเมืองซีวิไลซ์เช่นชายหนุ่มคนนั้นถือว่าโอ้โหเพชรพลอยพวกนี้นะขนกลับไปนี่เป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วใช่ไหมดีอกดีใจว่าหลอกชาวเกาะสําเร็จพ่อขนเพชรขนพลอยซึ่งเป็นดังหนึ่งกลวนเห็นดินทรายในสายตาชาวเกาะแต่กลายเป็นทรัพย์สินมีค่าในทัศนะของกาดันเสร็จเรียวเพราะเขาลงมาคิดแผนชั่วได้อีกอย่างหนึ่งเรื่องอะไรเราจะขนไปแค่นี้ทําไมไ<ป>เราไม่หาซื้อมันไว้ทั้งเกาะ เดินลงกลับไปหา่างวันหน้าเออท่านครับผมซาบซึ้งในน้ำใจของท่านเหลือเกินช่วยชีวิตผมรอดผมก็เลยคิดว่าอยากจะมีอนุสรสถานไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้าผมกลับไปนะผมอยากจะรับลูกและเมียของผมมาขอบพระคุณท่านเชิญพระราชาของผมมาที่นี่ด้วยอยากจะเลี้ยงตอบแทนท่านสักครั้งหนึ่งผมจึงอยากได้ที่สักแปลงหนึ่งนะครับเอาไวป้ปลูกกระตอบเล็ก เดี๋ยวผมกลับมามันจะได้พาลูกพาเมียมาพักที่นี่แล้วก็ขอบบุญขอบคุณท่านจัดงานเลี้ยงให้กับท่านท่านว่าจะดีไหมหัวหน้าชาวเกาะก็บอกว่าเอาสิคุณอยากได้ที่เยอะไหมละ่ะก็ผมว่าจะเอาแล้วแต่ท่านจะให้ก็แล้วกันนะนะเออแล้วแล้ ว, ลวมีวิธีวัดยังไงเห็นในในเกาะในมีวิธีวัดที่ดินยังไงเนี่ย หัหน้าชาวเกาะก็บอกว่าอ๋อสําหรับเรานะหรือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใครอยากได้ที่ดินสร้างบ้านสร้างเรือนก็วิ่งไปสิหมดแรงตรงไหนก็เท่านั้นแหละของเขา <c oughs> พอได้ยินอย่างนี้ตาลุกไหมตาลุกเขมไม้หัวใจกระเด็กมองไม่เห็นเลยเห็นช่องแล้วจริงใช่ไหมครับท่านใครอยากได้เท่าไหร่ไดให้วิ่งเอาเลยเนะครับใช่ก็คุณวิ่งถึงตรงไหนนะคุณหมดแรงตรงไหนนั่นนะคุณก็วัดเอาไปสินั่นแหะเป็นของคุณทั้งหมด โอโห้ใ oh. ชยจอมลำโมบคิดแผนชั่วขึ้นมาได้ว่างานนี้ต้องจัดเต็มวันรุ่งขึ้นตื่นเช้ากินข้าวเต็มที่และออกวิ่งลูกน้องหัวหน้าเจ้าเกาะถือตลับเมตรวิ่งตามมันไม่หยุดสดัทีมันวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปพอหมดแรงมก็เหนื่อยนิดหนึ่งแล้วมันก็วิ่งวิ่งวิ่ ง, งเขากลัวว่าถ้าเขาหยุดปุ๊บมันจะฟาว จะไม่ถูกกติกาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เคยหยุดตัวเองเขาทําได้แค่ผ่อนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปพอใจหมดแรงก็ผ่อนวิ่งไปม่พอจะมดแรงก็ผ่อนวิ่งไปจนไปสุดอีกฟากหนึ่งของเกาะแล้วเขาก็ล้มตึ้งลงไปขาดใจตาขาดที่หัวนหน้าชาวเกาะวิ่งตามไม่ครึ่งวันหนึ่งจึงถึงตัวเขาแต่เขาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง หัวเกาะจดท้ายเกาะุณหน้าเจ้าเกาะทั้งวิ่งทั้งขี่มา้าใช้เวลาครึ่งวันจึงมาถึงเห็นเขาตายเรียบร้อยแต่ท่านก็พาลูกน้องมายืนร้องเออพวกเธอดูสิเธอดูชายคนนี้ชายที่มาจากโลกที่ซีวีไหลมากนี่ดูสิเขาวิ่งไม่เคยหยุดเลยเพราะเขาอยากจะได้ที่ดินไม่จบไม่สิน้นแต่เธอดูสิ แท้ที่จริงที่ที่จาเป็นสำหรับเขาก็แค่รองรับแผ่นหลังเท่า น, นั้นใช่ไหมเธอดูอสิความสูงของพื้นที่ในเรือ ก, ก็สูงจากหัวจะลดปลายเท้าความกว้างเน้รือ ก, ก็เท่าที่แขนของเขาแผ่ออกทั้งสองข้างชีวิตต้องการแค่นี้นแต่เธอดูที่เขาวิ่งสิเขาจะเอาทั้งหมดเรื่องนี้สอนว่าใครฉลาดกว่าใครเนี่ย ต้องคิดนะเราเป็นอย่างนั้นไหมทุกวันนี้เราเป็นอย่างนั้นไหมถ้าใครเป็นอย่างนั้นตอนนี้ฟังเทศกันนี้ปรับตัวยังทันปรับตัวยังทันคุณไม่จำเป็นต้องครอบครองมากขนาดนั้นหรอกคุณครอบครองเท่าที่จำเป็นต้องกินต้องใช้แล้วเก็บไว้เพื่อความมั่นคงระดับหนึ่งจากนั้นถอนตัวมาพินิพิจารณาว่าชีวิตนี้จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเรื่องไหนคำวมพอ จะสะกดเป็นตอนอายุเท่าไรวันเวลาที่เหลือนั้นจะใช้ร่วมกับใครอะไรที่จะต้องตัดทอนและอะไรที่ยังทำได้ไม่ดีจะต้องเติมนี่คือประโยชน์สติผลที่เกิดจากการเรียนรู้เรื่องมรณสติฉะนั้นประการที่สองก็คือท่านก็บอกว่าอย่าประมาทในอายุวัจะยืนยาวเพราะว่าเราไม่ได้อย่าประมาท ใ, ในชีวิตวัจยยนยาวใช่ไหมอันที่หนึ่ง อันที่สองอย่าประมาทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาวมาถึงอันที่สามก็อย่าประมาทในสุขภาพว่าอย่างแข็งแรงอันที่สี่ก็อย่าประมาทในเวลาว่ายังมีอยู่มากคุณมีเวลาไม่มากหรอกชีวิตนั้นสั้นนักอันที่ห้าอย่าประมาทในธรรมะว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำหรืออย่าประมาทในคุณความดีว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทาพอมีคนมาชวนไปทาชั่วนะรีบรับเป็นสภาพเลย มีคนมาชวนไปทําบุญทํากฐินอะไรไม่อยากไปแต่เวลามีคนไปกินเลีเ้ยงเฮ้ยฉันเป็นเจ้าภาพเบียร์สองหลังออกตัวเป็นเจ้าภาพออกตัวแรงด้วยนะเลือกโลเคชั่นเลือกสถานที่เลือกร้านให้เสร็จพอ ม, มีคนชวนไปทําบุญเอาไว้ก่อนยุ่งอยู่ช่วงเนี้ยคนที่ไม่เคยเรียนเรื่องบรนันสติพอจะตายขึ้นมาจยิงชอบมันนิมนต์พระอยากเ จ, จอพระพระอาจารย์เจอประจำมีรายหนึ่งเมื่อสองปีที่แล้ว เตียอยู่เตียนไปแล้วอายุแปดสิบแลให้คนโทรศัพท์มานี่มนพระจันทร์ในหนึ่งวันนี่มนสามรอบมาเรือยังไงต้องมาเพราะว่าคุณพ่อผมดูท่านประจำบอกว่าพ่อเป็นแฟนครับเราก็ต้องไปนั่งเครื่องจากเชียงรายนัไปถึงกรุงเทพต่อไปถึงต่างจังหวัดพอพระจันทร์ไปยืนอยู่หัวเตียงยอมไงอยากเจอจะมาใช่ไหม ลูกก็มากะซิบใกล้ๆ พ, พ่อพ่อพ่อท่านโรมาจำได้ไหมเนี่ยพระที่พ่ออยากเจอนะลืมตาขึ้นมาโอ้จำได้แล้วท่านสําพงสะเทือนใจมากอยากเอาหมอนเียงหน้าแกเลยทำกันขนาด น, นี้ เป็นไหมเนี่ยแล้วพอพระอาจารย์จะเจตเก่ก็ไม่รู้เรื่องพระอาจารย์เลยถามลูกถามหลานที่นิมนต์ว่าพ่อเป็นอย่างนี้ทุกวันไหมบางวันครับบางวันความจําดีมากพวกเราทําดีที่สุดก็ได้แค่นี้แหละครับท่านอยากเจอใครท่านอยากทาอะไรช่วงนี้จะทําให้ท่านทั้งหมดเพราะไม่อยากติดค้างกับท่านหลายคนเป็นอย่างนี้ไง ตอนที่เรามีเวลากันล้นเหลือตอนที่ยังหนุ่มยังสาวตอนที่ยังแข็งแรงเราไม่สนใจกันและกันเลยใช่ไหมพ่อหมอบอกว่าคุณจะอยู่ได้อีกสามเดือนนะแฮแหงกันไปหาเป็นนวดไปดูแลเอาเอาของฝากเอาขนมขบเคี้ยวเอาของกินสารพัดไปให้พอเอาไปให้ข้างเตียงหมอบอกอย่า yeah, คนไข้กินไม่ได้ใช่ไหมมีกรณีหนึ่งนิมนต์พระอาจารย์ไป อาการไม่ดีเลยเจียนอยู่เจียนไปรามารออายุเก้าสิพอพระอาจารย์ไปถึงยายทำไมายายถึงบอกว่าตัวเองจะตายแล้วก็ตอนแรกยายก็ไม่เชื่อหรอกแต่นี่ดูหลานคนนี้อยู่อเมริกาสิบปีไม่เคยมาบ้านเลยมันมาคราวนี้สแสดงว่ายายต้องหนักแนะ่ล่ะ กล้เป็นแม่คุณกลับมาแทนที่จะทำให้บุพก า, ารีดีขึ้นทำให้ท่านมั่นใจว่าฉันตายแน่เข้านจหรือยังเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่สร้างชั่วโมงทองคำร่วมกับคนอันเป็นที่รักของเราตั้งแต่นิ่นๆล่ะทำไมเราไม่เห็นคุณค่าของคนที่เรารักตั้งแต่นั้นๆและดีกับเขาดูแลพ่อของคุณแม่ของคุณดูแลลูกแก้วเมียควันของคุณ ดูแลญาติวงศ์หงษาของคุณดูแลบริษัทบริวารของคุณให้ดีที่สุดและวันหนึ่งปรบปลีเป็นอะไรขึ้นมาคุณไม่ต้องฟุม่มเฟือยแล้วเพราะอะไรคุณไม่ได้ติดค้างกันและกันเลยในเรื่องเหล่านี้มันต้องรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักด้วยคุณมีหมาคุณดูแลหมาคุณมีแมวคุณดูแลแมวอัตามาภาพในเมื่อกี้เห็นหมามาในนี้เห็นไหมแต่มาไม่แต่พูดเขาสักคํา เาแตามาไม่รู้ว่าเขาจะมีพรุ่งนี้สําหรับอาตมาไหมถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาตายอาตมาก็ไม่เสียใจแล้วคืนนี้ให้มันเดินตามเนี่ยใช่ไหมเออฉะนั้นคาว่าดูแลคนพิเศษมันไม่ได้ไหมายความมาแค่คนแต่ต้องรวมถึงสัตว์เลี้ยงบรรดามีทั้งหลายอ่ะที่เรารักเขาหลายคนรักหมารักแมวน่ะตอนยังปกติพอเขาป่วยเอาเขาไปทิ้งทําไมคุณรักไม่เสมอต้อนไม่เสมอปลาย ยังธรรมาภาพตอนนี้ก็มีแมวตัวหนึ่งโยมามาบริจาคจะใช้คำว่าบริจาคคงไม่ถูกเรอเอามาทิ้งพอมกัย่องกัดแย่งมาหาธรรมาธรรมาบอกให้ลูกศิษย์เราไปปล่อยสามครั้งก็กลับมาถูกทุกครั้งกลับมาทุกครั้งไม่เคยไปหาคนอื่นมาหาธรรมาแล้วมานัวเนี่ยตลอดธรรมาก็บอกลูกศิษย์ว่าอย่าให้มาใกล้ลูกศิษย์ก็บอกว่าทําไมพระอาจารย์ใจร้ายพระอาจารย์บอกว่าไม่ได้ใจร้ายแต่พระอาจารย์เป็นคนรักแมวง่าย ก็เลยรับเลี้ยงเขาไว้เพราะอะไรเพราะว่าเขากลับมาได้ทุกครั้งพอรับเลี้ยงภายในสองอาทิตย์เขาทำสำเร็จเข้าถึงตัวธรรมาและเราก็รักมันเห็นไหมเราก็รักมันตั้งชื่อมันว่าชาคีราและพอดูแลอย่างดีภายในสองเดือนเขาอ้วนพีมากลูกศิษย์พระาจารย์ลองถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเองตอนนี้คนกดไลค์เยอะแยะเห็นไหมเนี่ยฉะนั้น ถ้าเรามีหมาเราดูแลเขาถ้าเรามีแมวเราก็ดูแลเขาเพราะถ้าคุณดูแลสิ่งสารสัตว์ไม่ได้คุณดูแลคนไม่ได้หรอกใช่ไหมการดูแลสิ่งเล็กๆจะสะท้อนถึงความสามารถในการดูแลสิ่งใหญ่ๆสิ่งนี้สําคัญมากนะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ขอจบโดยเรื่องต่อไปนี้เมื่อปีที่แล้วมีข่าวข่าวหนึ่งเป็นข่าวโด่งดังมากที่ประเทศมาลเลเซีย นั่นก็คือข่าวที่โจรบุกไปปล้นธนาคารแล้วขณะที่โจรบุกปล้นธนาคารนั้นผู้หญิงคนหนึ่งถูกปืนของโจรจ่ออยู่ที่ศีรษะเพื่อให้นำเขาไปเปิดตู้เซฟเธอเดินเข้าไปถึงตู้เซฟระหว่างก้มลงเปิดตู้เซฟนั้นเธอคิดถึงสามีเธอรู้สึกว่าเธออยู่กับสามีมาเป็นสิบปีแต่ไม่เคยได้ยินคำว่ารักจากสามีเธอเป็นสาวโรแมนติก อยู่กันมาขนาดนั้นตั้งหลายปีแล้วก็ยังต้องการคำว่ารักอีกผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ความรักมาทางหูได้ยินคำหวานและอ่อนระทวยผู้ชายความรักมาทางตาเห็นป๊บถ้าถูกใจแล้วขอไล่ ท, ทันทีเช <c oughs> ่นเดียวกันกับผู้หญิงคนนั้น เธอรู้แล้วว่าชะตากำลังจะขาดก้มลงจะเปิดกุญแจตู้เสบแอบกดโทรศัพท์ต่อสายหาสามีระหว่างนั้นสามีกำลังขับรถอยู่พูดงัายๆว่าสามีกำลังยุ่งกำลังกังวลกับภาระที่อยู่ตรงหน้าคือการขับรถเสียงปลายสายซึ่งเป็นเสียงภรรยาของเขาถามมาแบบเบามากพี่ พี่พี่รักหนูไหมสามีกำลังขับรถส่งลูกค้าอยู่ตะโกนสวนเกิดมาว่าเมื่อถามหาพระแสงอะไรตอนนี้เล้วเสียงก็หายไปพระโจนสังเกตเห็นจึงลั่นไกระเบิดสมองเธอซุงลูกค้าเรสร็จสามีก็ไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารข้างทางรายการโทรทัศน์ตัดข้าว รายงานสดมีโจรบุกต้นธนาคารมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเพราะถูกยิงพอภาพสูมเข้ามาใกล้ๆช้อนหลุดมือเขาเลยเฮ้ยนั่นเมียเราเนี่ผู้ประกาศก็บอกว่าสาเหตุที่เธอตายนั้นลือกันว่าเพราะเธอพยายามจะต่อโทรศัพท์ถึงใครสักคนหนึ่งโจรขัดใจจึงยิงตัดตอน เขารู้เลยว่าใครคนนั้นคือใครตัวเขาเองเรื่องนี้เป็นข่าวที่โด่งดังมากเนี่ยตอนอยู่ด้วยกันดีๆทำไมไม่บอกรักซะให้มันจบกันไปตอนจะอยู่จะไปเจนอยู่เจนไปเนี่ยมาถามแล้วสามีพอรู้ว่าภรรยาถามเป็นคำถามสุดท้ายในชีวิตมีโอกาสได้ตอบไหมก็ไม่ได้ตอบ ฉะนั้นตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยนะอยากดูแลกันธรรมซะอยากบอกรักกันธรรมซะอยากกอดกันธรามซะอยากพาไปชอปปิ้งอะทำซะเหมือนพระอาจารย์ทำให้ยมพ่อเห็นไหมพ่อจิ้วทิพชายาช้างในชีวิตไม่เคยขี่ช้างเลยพาพ่อไปขี่ช้างทางั้งทั้งนี้กลัวมากว่าถ้าตกอะไรเรื่องใหญ่มากพ่อแปดิสี่แล้ว <c oughs> แต่ก็ทำ พอทาแล้วก็หมดเรื่องที่ข้างใจกันระหว่างพ่อกับลกูกอยากพาพ่อเป็นเจ้าภาพงานกระถินก็พาพ่อทําทําเรียบร้อยแล้วตอนนี้พระอาจารย์พูดได้แล้วว่าสบายใจกับพ่ออยากพาพ่อปฏิบัติธรรมก็พาพ่อมาปฏิบัติเรียบร้อยแล้วและไม่ใช่ครั้งเดียวทําบ่อยมากปีแล้วหลายครั้งด้วยฉนั้นพูดได้เลยว่าในเวลานี้พระอาจารย์ไม่ติดขังกับภพกายเนี่ย ดังนั้นเราเรียนเรื่องมรณานุสติเพื่อที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดด้วยความไม่ประมาทถ้าเราไม่เรียนเรื่องนี้เราก็จะประมาทประมาทประมาทปรบปรับมีใครเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วสิ่งที่เราจะพูดก็คือ <IN C 2> ถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้นะจะพาท่านไปกินข้าวถ้ารู้อย่างนี้นะจะพาท่านไปดูหนังถ้ารู้อย่างนี้นะจะพาท่านไปต่างประเทศ ถ้ารู้อย่างนี้นะจะพาท่านไปนั่งเครื่องบินถ้ารู้อย่างนี้นะจะพาท่านไปไรชนตะวันที่พูดว่าถ้ารู้อย่างนี้ตกลงรู้ไหมไม่รู้เพราะคนรู้ก็ททำไปแล้วฉะนั้นในค่าคืนนี้จึงฝากพระพุทธวจนะของพระพุทธองค์ไว้เตือนพวกเรารองศาสตรว่าอัจเชวากิจมาตาปังโกชัญามาระนังสุหควรทาวันนี้ให้ดีที่สดุดเพราะใครเลยจะรู้ว่า ความตายอาจมาถึงในวันพรุ่งนี้นะคืนนี้ก็ฝากพวกเราวไว้แต่เพียงเท่านี้ขออภัยถ้าพระอาจารย์จะเทศยาวแล้วก็ดึกเล่ น, นึ่งเพราะกลางวันพระอาจารย์ไม่มีช่องเลยรู้ใช่ไหมไม่รู้คนหลั่งไหลามาจากไหนเมื่อวานก็หมื่นกว่าคนวันนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าพันคน ฉะนั้นช่องเดียรพระอาจารย์จะลงเทศลงสอนก็คือกลางคืนเช่นนี้นะฉะนั้นก็ขออภัยพวกเราด้วยที่กลางวันแทบไม่ได้มาพบแต่ยังไงก็ตามพระอาจารย์ก็ชดเชยให้ตอนกลางคืนและไม่มีใครรู้ได้ว่านี่อาจจะเป็นเทศการสุดท้ายของพระอาจารย์ด้วยอาจจะเป็นการฟังเทศครั้งสุดท้ายของพวกเราด้วยและของหมาตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้จับทาอะไรก็ตามจงทาเต็มที่และทาให้ดีที่สุด และทำตอนไหนตอนนี้ในลักษณะทอทอทอแปลว่าทำทันทีถ้าทำได้อย่างนี้เราจะมีชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดเอาละค่ำคืนนี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขมีความเจริญใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนชื่น หลับตาลงเธอที่รักขอเธอผ่อนผักอยู่เคียงทานฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวันใกปัจจุบันยัดยมตรงนี้ลมหายใจเข้า